ปินโทละพารัตวาชะสูตรว่าด้วยพระปินโทละพารัวาชะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโคสัมพีสมัยนั้นท่านพระปินโทละพารัตวาชะได้พยากรณ์อรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำคิดที่ควรทําเสร็จแล้ว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 ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระปิณโทละพระทวาชะเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจริงพยากรอรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรมจัจาร์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุปินโทละารถทวาชะพยากรอรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิน้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเพราะอินทรีสามประการที่ภิกษุปินโทละารถทวาชะเจริญทำให้มากแล้วอินทรีสามประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินสีสองสมาธินสี สปัญญีสีภิกษุปินโทละพารัตวาชะพยากรอรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจันทร์แล้วทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเพราะอินทรีสามประการนี้ที่ภิกษุปินโทละพารัตวาชะเจริญทําให้มากแล้วอินทรีสามประการนี้มีอะไรเป็นที่สุด คือมีความสิ้นไปเป็นที่สุดอะไรมีความสิ้นไปเป็นที่สุดคือชาติชราและมรณะมีความสิ้นไปเป็นที่สุดภิกษุปินโทละพารัวาชะพิจารณาเห็นว่าชาติชราและมรณะสิ้นไปจึงพยากรณ์อรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทมกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีคิดอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปปินโทละพารัทวาชสูตรที่เกจบ 10. อาปณะสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่อาปณะนิคม ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคมของชาวอังคะชื่ออาปณะแควนอังคะณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสว่าสารีบุตรอริยสาวกใดมีศรัทธามั่นคงเลื่อมใส ย, ยิ่งในตถาคตอริยสาวกนั้นไม่พึงสงสัยหรือเคลือบแคลงในตถาคต หรือในคำสอนของตถาคตท่านพระสารีบุตรกลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอริยสาวกใดมีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระตถาคตพระอริยสาวกนั้นไม่พึงสงสัยหรือเคลือบแคลงในพระตถาคตหรือในคำสอนของพระตถาคตอันหนึ่งพระอริยสาวกผู้มีศรัทธาพึงหวังได้ว่า จะเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเข้าถึงกุศลธรรมมีความเข้มแข็งมีความบากบัน่นมั่นคงไม่ท้อทุระในกุศลธรรมอยู่ก็วิริยะของพระอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นวิริยนินรียอันหนึ่งพระอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารบความเพียรพึงหวังได้ว่าจะเป็นผู้มีสติ ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกนึกถึงสิ่งที่ทำคำที่ได้พูดไว้นานบ้างก็สติของพระอริสาวกนั้นพึงจัดเป็นสตินสีอันหนึ่งพระอริสาวกผู้มีศรัทธาปรารบความเพียนมีสติมั่นคงพึงหวังได้ว่าจากทานิพพานให้เป็นอารมณ์ได้สมาธิได้เอกกคตาจิต ก็สมาธิของพระอริษาวกนั้นพึงจัดเป็นสมาทินสีอันหนึ่งพระอริษาวกผู้มีศรัทธาปรารบความเพียมีสติมั่นคงมีจิตตั้งมั่นพึงหวังได้ว่าจะรู้ชัดว่าสงสารมีที่สุดและเบื้องต้นกําหนดรู้ไม่ได้เบื้องต้นและที่สุดไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาปิดกัน้นมีตันหาผูกไว แล่นไปท่องเที่ยวไปส่วนความดับกองแห่งความมืดคืออวิชชาไม่ให้เหลือด้วยวิราคะนี้เป็นทางอันสงบนี้เป็นทางอันประนีคือความระ ง, งับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความสิ้นกำหนัดความดับนิพพานก็ปัญญาของพระอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นปัญญีสี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 ก็ศรัทธาของพระอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นสัททินสี่ดีละดีละสารีบุตรอริยสาวกใดมีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตอริยสาวกนั้นไม่พึงสงสัยหรือเคลือบแคลงในตถาคตหรือในคําสอนของตถาคตด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาพึงหวังได้ว่า จกเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอคุสมรธรรมเพื่อให้คุศมรธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบัน่นมั่นคงไม่ทอทุระในคุสมรธรรมทั้งหลายอยู่ก็วิริยะของอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นวิริยินทรีอันหนึ่งอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารบความเพียรพึงหวังได้ว่าจะเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง ระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่ได้พูดไว้นานบ้างก็สติของอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นสตินสีอันหนึ่งอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารบความเพียรมีสติมั่นคงพึงหวังได้ว่าจากยึดนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้สมาธิได้เอกคตาจิตก็สมาธิของอริยสาวกนั้นพึงจัดเป็นสมาธินสีอันหนึ่ง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 นี้เป็นทางอันสงบนี้เป็นทางอันประนีตคือความระ ง, งับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัญหาความสิ้นกำนัดความดับนิพพานก็ปัญญาของอริสาวกนั้นพึงจัดเป็นปัญญนสีสารีบุตรอริสาวกผู้มีศรานั้นพยายามอย่างนี้ครั้นพยายามแล้วระลึกอย่างนี้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 ชราวักที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ชราธรรมสูตร 2. อุณ ภ, ภพรามสูตร 3. สาเกตสูตร 4. ปุพภะปกะสูตร 5. ปฐมมาปุพพารามสูตร 6. ทุติยปุพพารามสูตร 7. ตติยปุพพารามสูตร 8. จดจตุถะปุพพารามสูตร 9. กฟินโทละพารัวาชสูตร 10. อารณสูตร หสุรกราคตะวรคหมวดว่าด้วยถ้ำสุกราคาตาหนึ่งสาละสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่หมู่บ้านพราหม์ชื่อศาลาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ ห, หมู่บ้านพราหม์ชื่อศาลาแว้นโคลณนะที่นั้นแล พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตติรชานเหล่าใดเหล่าหนึ่งพญาราชสีชาวโลกกล่าวว่าเลิศ ก, กว่าสัตติรชานเหล่านั้นเพราะพระกำลังความเร็วความกล้าแม้ฉั้นใดโพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งปัญญีสีบัณฑิตกล่าวว่าเลิศ ก, กว่าโพธิปักคิยธรรมเหล่านั้น เพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันโพธิปักขีย์ธรรมอะไรบ้างคือสัตินีเป็นโพธิปักคีย์ธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้วิรินีเป็นโพธิปักคีย์ธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้สตินีเป็นโพธิปักคียธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้สมาธินีเป็นโพธิปักคียธรรม ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ปัญญีสีเป็นโพธิปัจคียธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายสัตว์ดิรัานเหล่าใดเหล่าหนึ่งพญาราชสีชาวโลกกล่าวว่าเลือดกว่าสัตว์เหล่านั้นเพราะพระกำลังความเร็วความกล้าแม้ฉันใดโพธิปัจคียธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งปัญญีสีบัณฑิตกล่าวว่า เลือดกว่าโพธิปคัคยธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสารสูตรที่หนึ่งจบสองมละกะสูตรว่าด้วย พระธรรมเทศนาที่นิคมของชาวมันละเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในนิคมของชาวมันละชื่ออุรุเวละกับปะแควนมันละณที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอริยญาณ ย, ยังไม่เกิดขึ้นแก่อริยสาวกเพียงใด อินทรีสีประการก็ชื่อว่ายังไม่ตั้งมั่นไม่ยังลงเพียงนั้นแต่เมื่อใดอริยญาณเกิดขึ้นแก่อริยสาวกเมื่อนั้นอินทรีสีประการก็ชื่อว่าย่อมตั้งมั่นย่อมอยังลงภิกษุทั้งหลายยอดของเรือนยอดเขายังไม่ยกขึ้นเพียงใดกรนทั้งหลายก็ชื่อว่ายังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้ใส่เพียงนั้น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 ย่อมตั้งมั่นมันะกะสูตรที่สองจบสเสขะสูตรว่าด้วยพระเสขะและพระอเสขะข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะโคสิตารามเข ค, ครุงโคสัมพีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรืยอภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเหตุที่ให้ภิกษุผู้เป็นเสขะ อ, อาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิรู้ชัดว่าเราเป็นพระเสขะและที่ให้ภิกษุผู้เป็นอเศขะ อ, อาศัยแล้วตั้งอยู่ในอเสขภูมิ รู้ชัดว่าเราเป็นพระอเศขะมีอยู่หรือภิษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักและถึงภิกษุทั้งหลายเหตุที่ภิษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิรู้ชัดว่าเราเป็นพระเศษคะและที่ให้พิุผู้เป็นอเศขะอาศัยแล้ว ตั้งอยู่ในอาศัยภูมิรู้ชัดว่าเราเป็นพระอาศัยคมีอยู่เหตที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิรู้ชัดว่าเราเป็นพระเสขะเป็นอย่างไรคือภิกษุผู้เป็นเสขะในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเท hey, ที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิรู้ชัดว่าเราเป็นพระเสขะเป็นอย่างนี้แลอีกประการหนึ่งภิกษุผู้เป็นเสขะพิจารณาเห็นว่าสมณะหรือพราหมณ์อื่นนอกาศาสนานี้ผู้ที่แสดงธรรมจริงแท้แน่นอนเหมือนพระผู้มีพระภาคมีอยู่หรือเธอรู้ชัดว่า สมณะหรือพรามอื่นนอกศาสนานี้ผู้ที่แสดงธรรมจริงแท้แน่นอนเหมือนพระผู้มีประพาคไม่มีเลยเหตุ hey, ที่ให้ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิรู้ชัดว่าเราเป็นพระเสขะเป็นอย่างนี้แลอีกประการหนึ่งภิกษุผู้เป็นเสขะย่อมรู้ชัดอินรี่หประการคือ 1. สัตทินรีสองวิริยินสี สสตินสีสสมาธินสีหปัญญินสีอินสีห้าประการซึ่งมีคติมีความเป็นเลิศมีผลและมีที่สุดเธอยังไม่ถูกต้องด้วยนามกายแต่เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาเหตุที่ภิกษุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิรู้ชัดว่าเราเป็นพระเสขะเป็นอย่างนี้แล เหตุท hey, ี Look, ่ภ re ิกษุผู้เป็นอเศขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในอเศขภูมิรู้ชัดว่าเราเป็นพระอเศขะเป็นอย่างไรคือภิกษุผู้เป็นอเศขะในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดอินรี่หประการคือ 1. สัตทิน4ีวิริยินรีสาสตินรีสีสมาทินรีหปัญญินรี อินรี่ห้าประการซึ่งมีคติมีความเป็นเลิศมีผลและมีที่สุดเธอยังไม่ถูกต้องด้วยนามกายแต่เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาเหตุที่ภิษูผูเป็นอเศขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในอเสขภูมิรู้ชัดว่าเราเป็นพระอเาเสขะเป็นอย่างนี้แลอีประการหนึ่งภิษุผูเป็นอเซขะย่อมรู้ชัดอินรี่หกประการคือ 1. จากขุนศีสโซตินรีสาคานินรีส 4. ชิวหิตี 5. กายินรี์ 6. มนินรีเธอรู้ชัดว่าอินรีหกประการนี้จักดับทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือโดยประการทั้งปวงและอินรีหกประการอื่นก็จะไม่เกิดในหพไหน เทที่ภิกษุผู้เป็นอเศะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในอเสขภูมิรู้ชัดว่าเราเป็นพระอเศะเป็นอย่างนี้แลเสขะสูตรที่สาจบ 4. ปะทะสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าสัตว์ภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ที่เที่ยวไปบนแผ่นดินทั้งหมดรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่าเลิกกว่ารอยเท้าเหล่านั้นเพราะเป็นรอยใหญ่แม้ฉั้นใดบทแห่งธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ปัญญสีบัณฑิตกล่าวว่าเลิกกว่าบทแห่งธรรมเหล่านั้น เพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบทแห่งธรรมที่เป Mont ็นไปเพื่อความตรัสรู้อะไรบ้างคือสัตินีเป็นบทแห่งธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้วิรินีเป็นบทแห่งธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้สตินีเป็นบทแห่งธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ สมาธินีเป็นบทแห่งธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ปัญญี4ีเป็นบทแห่งธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ที่เที่ยวไปบนแผ่นดินทั้งหมดรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่าเลิศ ก, กว่ารอยเท้าเหล่านั้นเพราะเป็นรอยใหญ่แม้ฉันใดบทแห่งธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่ง ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ปัญญสีบัณฑิตกล่าวว่าเลิอด ก, ก่าบทแห่งธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันปธสูตรที่สจบ 5. สารสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยแก่นไม้ภิกษุทั้งหลายกลิ่นหอมที่เกิดจากแก่นชนิดใดชนิดหนึ่งจันแดงชาวโลกกล่าวว่าเลือกกว่ากลิ่นหอมที่เกิดจากแก่นเหล่านั้นแม้ฉันใดโพธิปักคียธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งปัญญีสีบรณดิตกล่าวว่าเลือกว่าโพธิปักคียธรรมเหล่านั้ น, น, น, น, เ, เ, เ, น, นเพราะเป็นไปเพื่อตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน โพธิปักขีย์ธรรมอะไรบ้างคือสัตินีเป็นโพธิปักขีย์ธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้วิรินีและถึงสตินีสมาตินีปัญญีเป็นโพธิปักขีย์ธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายจันแดงชาวโลกกล่าวว่าเลิกกวากลิ่นหอมที่เกิดจากแก่นเหล่านั้นแม้ฉันใด โพธิปักคียธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งปัญญินีบันดิตกล่าวว่าเลิศกว่าโพธิปักคียธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสารสูตรที่หจบ ปฏิทิตฐสูตรว่าด้วยภิกษุตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นเอกภิกษุทั้งหลายอินรี่ห้าประการเป็นอันภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นเอกเจริญอบรมดีแล้วธรรมอันเป็นเอกคืออะไรคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรักษาจิตนในธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นอาสวะและที่เป็นไปพร้อมกับอาสวะเมื่อเธอรักษาจิตนในธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นอาสวะและที่เป็นไปพร้อมกับอาสวะสัทธินรีข้อดีวิริยินรีข้อดีสัตทินรีข้อดีสมาทินรีข้อดีปัญญินรีข้อดีย่อมถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุทั้งหลาย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 เช้าสหัมบดีพรมข้าพเจ้าที่สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ใต้ต้นอาชชาปาลานิโครดริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความรำพึงขึ้นว่าอินทรีห้าประการที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่มอมย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมะตะเป็นที่สุดอินทรีย์าประการอะไรบ้างคือ 1. สัทธินทรีที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นเบื้องหน้ามีอมะตะเป็นที่สุด 2. อวิริยินทรีละถึง 3. สสตินทรีย์ 4. สมาธินทรีย์าปัญญทรีที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว ย่มอมย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดอินรี่ห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่มอมย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดครั้งนั้นเท้าสหัมบดีพรมทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏตรงพระภักของพระผู้มีพระภาค เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นหมผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญเชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นอินทรี่ห้าประการที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมะาตะเป็นที่สุดอินทรีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินทรีที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดละถึง 5. ปัญญทรีที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุด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 ข้าพระองค์นั้นคลายกรรมฉันทะในการทั้งหลายหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติพรหมโลกเพราะอินทรีห้าประการที่ข้าพระองค์เจริญทําให้มากแล้วแม้ในพรหมโลกนั้นพวกเขาก็รู้จักข้าพระองค์ว่าเท้าสหัมบดีพรหมเท้าสหัมบดีพรหมข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเรื่องนี้เป็นอย่างนั้น ข้าพระองค์รู้ข้าพระองค์เห็นข้อที่อินทรีย์ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดสหัมปฏิพรหมสูตรที่เจ็จบ พราคาตะสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ถ้ำสุขระคาตาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณถ้ำสุคราคาตาเขาขี้จุกูดเขกรงราชฤท์ณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสถามว่าสารีบุตรภิกษุขีณาศพเห็นอำนาจประโยชน์อะไร จึงประพฤติโนบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตหรือในคําสอนของตถาคตท่านพระสารีบุตรทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุขีณาศพเห็นธรรมเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมจึงประพฤติโนบน้อมอย่างยิ่งในพระตถาคตหรือในคําสอนของพระตถาคตดีละดีละสารีบุตรภิกษุขีณาศพ เห็นธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมจึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ภิกษุขีณาศพเข็นอยู่จึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุขีณาศพในพระธรรมวินัยนี้ เจริญสัตทินสีที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เจริญวิริยินสีละถึงเจริญสัตทินสีเจริญสมาทินสีเจริญปัญญินสีที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำเป็นแดนระเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมนี้ที่ภิกษุขีณาศกเห็นอยู่จึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในพระตถาคต หรือในคำสอนของพระตถาคตดีละดีละสารีบุตรทำเป็นแดนเกษมจากโยคันยอดเยี่ยมนี้ที่ภิกษุขีณาศพเห็นอยู่จึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตสารีบุตรการนอบน้อมอย่างยิ่งที่ภิกษุขีณาศพประพฤติในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุขีนาศในพระธรรมวินัยนี้มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิก ข, ขาในสมาธิค่าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้แหละคือการนอบน้อมอย่างยิ่งที่ภิกษุขีนาศประพฤตในพระตถาคตหรือในคำสอนของพระตถาคตดีละดีละสารีบุตร การนอบน้อมอย่างยิ่งนี้ที่ภิกษุขีนาศบประพติในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตสูกรัตะสูตรที่8จบ mm hmm. 9. พระธมมอุ ป, ปาทสูตรว่าด้วย ความเกิดขึ้นแห่งอินทรีย์สูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวาีภิกษุทั้งหลายอินทรีย์หประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นความอุบัติขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่เกิดขึ้นอินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตถินทรีย์ 2. วิริยินทรีย์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 ทุติยอุ ป, ปาทสูตรว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งอินทรีย์สูตรที่สองภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นเว้นวินัยของพระสุคตย่อมไม่เกิดขึ้นอินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินทรีย์ 2. วิริยนินทรีย์สสตินทรีย์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 รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สาระสูตร 2. มัลลกะสูตร 3. เสขะสูตร 4. ปทะสูตร 5. าสาระสูตร 6. ปฏิทิตะสูตร 7. สหัมปติพรมะสูตร 8. สูกระคตะสูตร 9. ปถมมะอุปาทสูตร 10. ทุติยอุ ป, ปาทสูตรเจ็ดโพธิปักคิยวักหมวดว่าด้วยโพธิปักคิยธรรมหนึ่งสัญโยชนะสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อละสังโยชน์ เรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อละสังโยชน์อินทรีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตถินทรีและถึง 5. ปัญญทรีอินทรีห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อละสังโยชน์ สัญโยชนะสูตรที่หนึ่งจบ 2. อนุสยะสูตรว่าด้วยทำที่เป็นไปเพื่อถอนอนุัยภิกษุทั้งหลายอินสี่ห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถอนอนุัยอินสี่ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัททินรี์ละถึง 5. ปัญญินรี์ อินทรีห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถอนอนุสัยอนุสยาสูตรที่สองจบ 3. ปริญญาสูตรว่าด้วยทําที่เป็นไปเพื่อกําหนดรู้อัฏฐานะภิกษุทั้งหลายอินทรีย์าประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกําหนดรู้อัฏฐานะทางไกล อินทรีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินทรีและถึง 5. ปพันยินทรีอินทรีห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกำหนดรู้อัตฐานะปริญญาสูตรที่3จบ 4. อาศสวะคขยะสูตรว่าด้วยทำที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลาย อินทรีห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะอินทรีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินทรีละถึง 5. ปัญญทรีอินทรีห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะอินทรีห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้ว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 อาสวะขยะสูตรที่4จบ 5. ปฐมมภพละสูตรว่าด้วยผลแห่งการเจริญอินทรีย์สูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายอินรีห้าประการนี้อินรีห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินรีย์ละถึง 5. ้าปัญญรียอินรีย์าประการนี้ภิกษุทั้งหลาย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 ติยะพละสูตรว่าด้วยผลแห่งการเจริญอินทรีย์สูตรที่สองภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้อินทรีย์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินทรีย์ละถึง 5. าปัญญทรีย์อินทรีย์ห้าประการนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะอินทรีย์ห้าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว คือหวังพลานิสงส์เจ็ประการพลานิสง์เจ็ประการอะไรบ้างคือ 1. จะได้บรรลุอรหัตผลทันทีในปัจจุบัน 2. ถ้าไม่ได้บรรลุอรหัตผลในปัจจุบันจะได้บรรลุในเวลาใกล้ตาย 3. ถ้าในปัจจุบันและเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปริณิพายี 4. ละถึง ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายี 5. ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายี 6. ก, ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้สังขาระปรินิพพายี 7. ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุทธังโสโตโ อ, อกติทัคามีเพราะอุทธธรรมภากดีสังโยชน้าประการสิ้นไปภิกษุทั้งหลาย เพราะอินทรีย์าประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วพึงหวังพลานิสงเ์7ประการนี้ทุติยพาะสูตรที่6จบ